ผลกรรมตามนยะแห่งจุลกรรมมัวิพังคสูตรเมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็ขอนาพุทธพจน์แห่งสำคัญที่กล่าวถึงผลกรรมซึ่งสืบเนื่องจากปัจจุบันไปถึงภพหน้าตามที่ปรากฏในจุลกรรมมัวิพังคสูตรหรือเรียกอีกอย่างว่าสุภาสูตรมาแสดงไว้สรุปใจความได้ดังนี้ สุภสูตรในที่นี้คือหมายถึงสุภาพมานพนะครับดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นที่กาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้สามและปราณีช 1. สตรีหรือบุรุษผู้มกทำปานตาิบาศ เป็นคนเฮี้ยมโหดหมกมุ่นอยู่ในการประหัดประหารไร้เมตตาการุณด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพร่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีอายุสั้นสตรีหรือบุรุษ ผูลเวนปานาธิบาตมีเมตากาวุลมากเกอรอกูลแก่สรรพสัตว์ด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพร่างพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดที่ใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีอายุยืน สสตรีหรือบุรุษผู้มีนิสัยชอบเบียดเบียนทำร้ายสัตว์ทั้งหลายด้วยมือไม้สัตราด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพร่างพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนรกหรือมิฉนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีโรคมากคือขีโรค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 สตรีหรือบุรุษผู้ไม่มีใจริษยาด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพร่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดนาที่ใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีศักดามากคือมีเดชมีอำนาจมาก 5. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่บำเพ็ญทานไม่ให้ปั่นข้าวน้ำผ้านุงห่มเป็นต้นด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติร่างพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนรกหรือมิฉนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดที่ใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีโภคะน้อยสตรีหรือบุรุษ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 ผู้เป็นคนแข็งกระด้างเย่อยิงชอบดูถูกคนไม่เคารพนับถือกราบไหว้แสดงความเอื้อเฟื้อแก่ผู้ที่สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกหรือมิฉนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดนาทีใ ด, ดในภายหลังก็จะเป็นคนมีตระกูลต่ำ สตรีหรือบุรุษผู้ไม่เป็นคนแข็งกระด้างไม่เย่อหยิงแสดงความเคารพนับถือกราบไหว้เอื้อเฟื้อแก่ผู้สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพร่างพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉนั้นอากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีตระกูลสูง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 หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนสามปัญญาสัตรยหรือบุรุษผู้รู้จักเข้าหาสอบถามสมณะหรือพรามว่าอะไรดีอะไรชั่วเป็นต้นด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติรพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์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 เป็นการตอบปัญหาของสุภาพมานุกซึ่งเป็นคนวันนาพราหมณ์การที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบแก่สุภาพมานุกอย่างนี้มองในแง่สัมพันธ์กับศาสนาพราหมณ์มีข้อสังเกตอย่างน้อย2ประการคือประการแรกเป็นการแย้งต่อคำสอนของพราหมณ์ที่ว่าลมเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลชีวิตมนุษย์และทุกสิ่งทุกอย่างโดยให้มองอย่างใหม่ว่าการกระทำของคนนั่นเอง เป็นเครื่องสร้างสารรค์ปรุงแต่งชีวิตของมนุษย์ประการที่สองตามพิธีกรรมของพราหมณ์เช่นการบูชายันผู้ประกอบพิธีและถวายทักษิณาแก่พราหมณ์จะได้รับพลานิสงมากมายมหาศาลชนิดที่มองไม่เห็นความสัมพันธ์โดยทางเหตุปัจจัยกับสิ่งที่กระทำนั้นเลยการตรัสผลของกรรมตามแนวแห่งสูตรนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจอย่างใหม่ในแง่นั้นด้วยรวมความว่าสาระของจุลกรรมมวิพังคสูตรนี้ก็ยังคงยืนหลักการสำคัญที่ว่าการนึกถึงผลกรรมที่จะได้ประสบในชีวิตพบหน้าพึงเป็นไปในลนักษณะของความมั่นใจที่อาศัยกรรมคือคุณภาพจิตใจและคุณภาพแห่งความประพฤต